ทำไมผู้ก่อการร้ายไม่ตายเร็วถามกลุ่มโจรก่อการร้ายที่ฆ่าคนแบบไม่เลือกหน้าทำไมถึงยังอยู่รอดมาได้เพราะกรรมดำที่ทำนั้นไม่ใช่เบาๆแต่หนักหนาสาหัสขนาดน่าจะส่งแบบทันตาเห็นได้แล้วอันนี้แสดงว่าพวกเขาเคยทำบุญใหญ่อะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ ถึงยังมีดีคุ้มตัวตอบขนาดทำอนันตริยกกรรมอันเป็นกรรมร้ายแรงสุดเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือเป็นพระล่อทำกลุ่มสงฆ์แตกแยกกันหรืออย่างเช่นที่พระเทวทัตประทุษร้ายพระพุทธเจ้าจนหอพระโลหิต ก็ยังต้องรอกรรมผลระยะหนึ่งเลยครับไม่ใช่ทาปุ๊บขาดใจตายปับ๊บร่างหยาบของมนุษย์นั้นเหมือนภาชนะที่ทนรองรับบาปมาหันได้นานอยู่ภาวะความเป็นมนุษย์ในวินาทีนี้ของพวกเราถ้าไม่รู้ก็เหมือนมีแค่ข้าวและน้าเป็นตัวหล่อเลี้ยงแต่ถ้ารู้ก็จะเห็นกายมนุษย์เป็นธรรมชาติหน้าอัศ จ, จรรย์ยิ่ง ที่ได้รับการอุ้มชูได้รับการคุ้มครองได้รับการคุมรูปโดยวิบากกรรมดีเก่ากุศลลาวิบากในอดีตแปลมาเป็นพลังลึกลับหล่อเลี้ยงรูปร่างหน้าตาไว้ให้คงที่ระยะหนึ่งระยะดังกล่าวเรียกว่าอายุไขซึ่งแปลว่าอัตรากำหนดอายุจากเริ่มต้นจนสิ้นสุดหรือแปลว่าการสิ้นอายุ ฉะนั้นถ้าพูดว่าสิ้นอายุไขจึงผิดแต่ถ้าพูดว่าถึงอายุไขจึงถูกคนยุคใดตายในไวัยไหนโดยมากวัยนั้นก็ถือเป็นเกณฑ์เฉลี่ยของอายุไขเช่นยุคเราอายุไขจะอยู่ที่ประมาณเจ็สิบห้าหมายความว่าถ้าใครอยู่ถึงจะสิบห้าเนี่ยไม่แปลกถ้าเกินกว่านั้นมากมาก นับว่าอายุยืนถ้าน้อยกว่านั้นมากๆนับว่าอายุสั้นมองจากมุมของสติก็ต้องว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามองออกมาจากมุมของวิบากกรรมก็ต้องบอกว่าทุกคนมีกำหนดอายุของตนตามบุญตามบาปที่เคยก่อไว้ในอดีตชาติไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเข้าเกณฑ์เฉลี่ย หรือสูงต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเองลอยๆขอจำแนกบุญเก่าเป็นสามระดับคร่าวๆดังนี้ 1. อดีตชาติเคยมีจิตใจเปลี่ยนเมตตาคือตั้งใจงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนประทุษร้ายใครให้ได้รับภัยทางกายหรือกระทั่งเคยทำบุญถวายหยูบยาแด่สมณะ หรือเป็นหมอรักษาคนเจ็บให้หายทำคนใกล้ตายให้กลับฟื้นฟูสภาพไว้มากเหล่านี้พอเกิดใหม่จะเป็นพวกมีอายุยืนแบบสุขภาพเยี่ยมออกกำลังกายแค่นิดหน่อยก็เป็นพวกกระดูกแข็งล้มหายตายจากได้ยากจิตใจปลอดโปรง่งและอาจต้องเป็นคนทำศพให้ลูกให้หลานซึ่งอายุยืนไม่เท่าตน แม้ชาติปัจจุบันจะถูกชักชวนให้หลงผิดคิดค่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างก็จะไม่บั่นทอนอายุไขลงมากนักกับทั้งอาจไม่ปรากฏโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเร็วอย่างไรก็ตามจากกฎที่ว่ากรรมเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางเดิมไว้พวกนี้จะไม่ถูกชักชวนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือออกล่าสัตว์เล่นเป็นของสนุกได้ง่ายนัก จะมีแรงต้านจากใจเขาเองหรืออาจมีเหตุการณ์ภายนอกมาเหนียวรั้งไว้มากมายไม่ให้อยากลงมือทว่ากรรมดีเก่าๆ ก, ก็ใช่ว่าจะต้านได้ตลอดไปถ้าพยายามฝืนดวงกันจริงๆเช่นเมื่อโดนยั่วยุให้ฆ่าบ่อยเข้าอาจจะจากคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมบีบคั้นในที่สุดก็จะยอมมือเปื้อนบาป ตอนที่ค่าสองสามครั้งแรกยังฝืนแต่ถึงครั้งที่สิบจะไม่ฝืนอีกต่อไปอารมณ์เคยชินกับปานาธิบาทจะเกิดขึ้นแทนใจดีๆแบบเกา่าซึ่งเท่าที่ทราบก็มีสมาชิกในกลุ่มผู้ก่อการร้ายจำนวนไม่น้อยครับที่เดิมทีรักสงบรักสันติแต่ก็ประสบเรื่องร้ายซึ่งก่อความเครียดแค้นชิ่งชัง หลงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์การร้ายเข้าจนได้ 2. ออดีตชาติเคยมีเมตตาระดับปกติธรรมดาคือไม่คิดฆ่าหรือทำร้ายใครก่อนเว้นแต่ป้องกันตัวหรือถ้าจะมีความสนุกกับการฆ่าการทรมาน ก็จะทำเฉพาะกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนักเช่นเด็กผู้ชายหลายคนชอบค่าสัตว์เล่นเห็นเป็นของสนุกแต่พอโตขึ้นก็เลิกกับทั้งไม่มีโอกาสทำบุญหาอยู่หายาถวายสมณะเป็นพิเศษไม่ได้มีอาชีพเป็นหมอรักษาโรคอย่างนี้พอเกิดใหม่ อายุจะไม่สั้นไม่ยาวเป็นไปตามเกณฑ์เฉลี่ยของยุคนั้นๆวิบากของการฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆในอดีตอาจทำให้เป็นโรคเจ็บป่วยอดๆแอดแอดชั่วครั้งชั่วคราวหรือถึงเป็นหนักก็มีทางรักษาหายหากชาติปัจจุบันถูกชักชวนให้หลงผิดคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเกิดความเพลดิดเพลินหรือกระทั่งเกิดความยินดีในการฆ่ามนุษย์ โดยไม่มีบุญเก่าเป็นเกราะคุ้มภัยอย่างนี้ก็อาจบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงอาจเป็นสิบปีหรือเป็นโรคร้ายทรมานเห็นทันตาในเวลาไม่นานบุคคลทั่วไปที่ทำปนานติบาตแบบกระปริ ก, กับโปรยมักไม่ค่อยมีภูมิต้านทานเวลาใครชักชวนให้ฆ่าก็ฆ่าและไม่ค่อยมีเหตุการณ์ภายนอกมาช่วยเบรก คือแล้วแต่ความสมัครใจเมื่อใครทำก็ทำได้โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางนวงเหนียวอาจมีความรู้สึกผิดในการฆ่าบ้างแต่ไม่ถึงขั้นทรมานใจรุนแรงอย่างพวกเคยรักษาศีลข้อปาาฏิบาติมาหมดจดกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยมากจะเข้าข่ายนี้ส อดีตชาติเคยมีระดับเมตตาตำ่ำคือพวกที่ไม่จำเป็นต้องฆ่าก็ฆ่าเห็นการฆ่าเป็นของสนุกฆ่าอย่างเมามันฆ่าอย่างสะใจพวกเนี้ยจะสั่งสมนิสัยมาโดยอาจมีสักชาติเป็นชนวนสำคัญเช่นโกรธแค้นศัตรูแรงๆแล้วตามไปฆ่าด้วยความเหี้ยมโหด หรืออาจถูกฝึกให้ล่าสัตว์เป็นกีฬาเล่นมาแต่เล็กทำให้เกิดสัญชาตญาณเพชชฆาตรรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคนอื่นด้วยรังสีการฆ่าฟันอันเป็นที่น่าคร้ามเกรงหรืออีกทางหนึ่งแม้ไม่มีจิตใจหยาบช้าคิดฆ่าใครเล่นแต่ก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปานาติบาตเป็นประจำเช่นเป็นคนในโรงฆ่าสัตว์เป็นหมอทาแท้ง เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาชีวิตสัตว์มาทดลองจนตกตายเป็นเบือ่อเหล่านี้จะทำให้มีอายุสั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุหรือเพล่เลก็เกิดมาวันเดียวตายไปเลยชาติปัจจุบันจะถูกชักชวนให้คิดค่าสัตว์ตัดชีวิตได้ง่ายกับทั้งมีเหตุการณ์บีบคั้น ย, ยั่วยุส่งเสริมสนับสนุนใหเห็นผิดเป็นชอบมากมาย โดยเดิมพวกนี้มีอายุไขสั้นอยู่แล้วมีโรคเรื้อรังประจำตัวอยู่แล้วเมื่อมาพอกพูนบาปให้หนาขึ้นสั่งสมนิสัยฆ่าสัตว์แบบไม่กระพริบตาให้หนักแน่นขึ้นกระทั่งปิดกั้นทางมาของความละอายอย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เป็นไปได้ที่จะตายเร็วคือพอเริ่มเข้ากลุ่มก่อการร้ายตอนอายุสัก20สบแค่อีกไม่เกินหปีต่อมา ก็มุยมรนังจากแวดวงพิษภัยที่ตนคลุกอยู่แทนที่จะมีชีวิตตามอายุไขที่ถูกกรรมเก่ากำหนดไว้สัก30หรือ40ปียังมีปัจจัยอันเป็นส่วนผสมที่ทำให้อายุผู้ก่อการร้ายสั้นยาวมากกว่านี้อีกมากตัวอย่างเช่นถ้าถูกล้างสมองให้เป็นพวกระเบิดพลีชีพ ซึ่งดูเหมือนต้องสมัครใจกำหนดวันตายให้ตัวเองนั้นแท้จริงเป็นการบีบคั้นของกรรมเก่าที่เคยใช้คนไปตายหรือส่งคนไปตายทางอ้อมซึ่งมักเป็นกรรมของเหล่าเสนาธิการทหารหรือหัวหน้าหมูหัวหน้ากองแรงบีบคั้นของกรรมเก่าที่เข้มข้นนั้นทำให้สติปัญญาหรือการใคร่ครวญพิจารณาทั้งหลายหยุดทางาน และมองว่าระเบิดพลีชีพคือทางออกสุดท้ายหากเคยเป็นพวกมอมเมาลูกน้องด้วยรางวัลหลังความตายมาก่อนชาตินี้ก็จะถูกทำให้เชื่อว่าระเบิดพลีชีพเป็นบรรชาสวรรค์เข้าบ้างการสิ้นอายุในธรรมชาตินั้นมีเหตุผลเสมอเช่นอายุไขของอาหารสำเร็จรูป ที่มีระบุไว้ข้างกล่องว่าควรบริโภคก่อนวันเดือนปีนั้นวันเดือนปีนี้แต่หากอาหารดังกล่าวมีปัจจัยทําให้บูดเร็วขึ้นเช่นเอาไปตากแดดเปลิ่งเปรี่ยงไม่เก็บไว้ในที่เย็นหรือแย่กว่านั้นคือไปเจาะรูให้รั่วอายุไขก็ย่อมมาถึงวเข้าท้าว่าอย่างไรก็ไม่ใช่สับพลันทันทีประเภทตากแดดปุ๊บบูดเน่าปับ๊บ นั้นไม่ใช่อายุไขในธรรมชาติอื่นๆเป็นเช่นไรอายุไขของมนุษย์ก็เป็นเช่นนั้นให้ทำชั่วที่สุดอย่างไรก็ไม่โดนทรณีสูบทันทีและทำดีที่สุดอย่างไรก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไวกว่าคนอื่นมนุษย์มีจิตใจหนักแน่นทำชั่วที่สุดได้ทำดีที่สุดได้ ยิ่งกว่าภพภูมิอื่นๆเพราะกายหยาบถูกวิบากเก่าคุมรูปไว้หนาแน่นไม่ถูกแปรเป็นอื่นง่ายนักวิบากกรรมเขารู้เวลารู้หน้าที่ของเขาเองไม่มีใครไปเร่งรัดได้ผู้มีญาณแก่กล้าเท่านั้นอาจอย่างทราบว่าน้ำหนักเจตนาฆ่าอันหนักแน่นประมาณนี้ทําความชิบหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของมหาชนประมาณนั้น จะแปรเป็นพลังมืดส่งย้อนกลับมาก่อโรคก่อภัยและบั่นทอนอายุผู้ก่ะการร้ายประมาณใดถ้าอย่างรู้ด้วยใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาจริงๆคุณจะสงสารผู้ก่ะการร้ายซะยิ่งกว่าคนที่เขาไปตัดชีวิตเอาดือด้อๆซะอีกครับหลายคนไม่มีทางเลือกและเมื่อเลือกแล้วก็ต้องประสบกับทุกขเวทนาสาหัส ต้องเวียนว่ายอยู่ในวงจรวิบัติผลัดกันเป็นฝ่ายกระทาและถูกกระทาอย่างยืดเยื้อเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เห็นตามจริงดีกว่าครับว่าใครทำอย่างไรจะต้องได้รับผลตอบสนองในทางนั้นๆไม่ช้าก็เร็วอย่าไปแช่งชักหักกระดูใครอีกเลย